ใครกันแน่ที่ต้องยะถาสัพพีก่อนเล่านิทานเซนเรื่องนี้ก็อยากจะชวนท่านสังเกตระดับความคิดนึกในพุทธศาสนาอย่างเซนว่าเขาได้ก้าวไกลล่วงไปหลายๆก้าวแล้วจริงๆ อาจารย์ฝ่ายเซนได้ทำให้บางคนได้ก้าวกระโดดเลื่อนขั้นตัวเองได้อย่างฉับพลันและก็ด้วยถ้อยคำไม่กี่คำเช่นเดียวกันท่านลองฟังการโต้อตอบและเรื่องราวดูเถิดท่านธรรมอาจารย์เซอิตเสศสุ สมภารเจ้าวัดเอ็นกากุในจังหวัดกามะ ก, กุระของญี่ปุ่นครั้งโบราณได้มีความรู้สึกว่าเห็นจะต้องขยายโรงธรรมศาลาต่อปีกันศาสให้กว้างไปอีกสักหน่อยเพราะคนมาวัดชุมหนุมฟังธรรมะกันแน่นแน่นเสียเหลือเกินความข้อนี้มีพ่อค้าคนหนึ่งรู้เขา้า เลยตัดสินใจจะเป็นผู้บริจาคมูลค่าก่อสร้างเสียเองเป็นเงินห้าร้อยเหรียญทองค่าของเงินสมัยนั้นนับว่า ม, มากที่สุดที่คนคนเดียวจะบริจาคทานเพราะสมัยนั้นเงินสามเหรียญก็ใช้สอยกินอยู่ได้ทั้งปีพ่อค้าคนนั้นยกถุงเงินเหรียญอันหนักหิวครึ่งลาครึ่งเข้าไปหาทานาจารย์ ซึ่งในตอนนั้นท่านนั่งอยู่ลาพังคนเดียวเมื่อเขาน้อมถวายบอกความประสงค์ให้ท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็ตอบเพียงว่าดีละฉันจะรับไว้ครั้นกองถุงเงินใหญ่ไว้ตรงหน้าอาจารย์แล้วตนก็นั่งลงหวังจะได้ยินว่าอาจารย์จะว่าอะไร คอยคอยว่าท่านจะพูดถึงเรื่องเงินรายนี้จะเอาไปทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรและที่สำคัญคือท่านจะได้โมทนาบุญในกุศลลเจตนาครั้งนี้ว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนใหญ่กว้างไกลและตนจะได้บุญกุศลโชคดีทำมาค้าขึ้นต่อต่อไปสมกับวาจาสิทธิและคำอวยพรของหลวงพ่ออาจารย์ เห็นท่านอาจารย์คงนั่งโดยดุษฎีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้ตนรู้สึกเจือนเจือนนั่งกระสับ ก, กระส่ายอยู่ไปมารำคาญขึ้นมาเลยคิดว่านําถุงเงินไปกองขวางหน้าท่านไม่ดีก็สู้สาลุกขึ้นจัดแจงย้ายถุงเงินไปเก็บให้ท่านเสร็จแล้วกลับมานั่งคอยฟังว่าท่านจะสั่งว่าอย่างไร ก็ไม่เห็นท่านว่าอย่างไรอยู่นั่นเองทำให้พ่อค้าไม่สบายใจคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนาน า, นานแม่เงินตั้งห้าร้อยเหรียญชิวนะท่านอาจารย์ก็ไม่เห็นกล่าวอนุโมทนายถาสัพพีเราหรือเจตนาออกดีๆเงินนี้ก็บริสุทธิ์เราอุตส่าห์อดออมสะสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรง จากการวิ่งเต้นค้าขายแท้ๆคิดพลางเลยทําใจกล้าเอ่ยขึ้นการาบเรียนอาจารย์ว่าหลพ่อขอรับถุงนั้นใส่ไว้ทั้งห้าร้อยเหรียญครบเลยขอรับท่านอาจารย์ตอบขึ้นว่าเมื่อตะ ก, กี้เธอบอกแล้วมีใช่หรือ คำตอบอย่างเรื่อยๆที่ออกจากปากอาจารย์เช่นนั้นยิ่งทำให้พ่อค้าเจือนตีหน้าไม่ถูกยิ่งขึ้นนั่งนิ่งกันไปทั้งคู่นานเท่าไรไม่รู้ได้พ่อค้าเลยตัดสินใจเป็นครั้งที่สองกล่าวเรียบเคียงให้หลวงพ่อให้พรและโมทนาเอ่ยว่าหลวงพ่อขอรับ กระผมแม้เป็นคนค้าคนขายใหญ่โตอย่างไรก็ตามเงินห้าร้อยเหรียญ น, นี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันมากนะครับปราลบเปื่อยๆชนิดจะพว่าไม่เห็นหลวงพ่อเห็นค่าของน้ำเงินที่ตนบริจาคในครั้งนี้เลยท่านอาจารย์จึงถามขึ้นว่าเธอต้องการจะให้ฉันขอบอกขอบใจเธอใช่ไหมละ่ะ พ่อค้าก็ตอบด้วยยินดีทันทีว่าขอรับหน่อยหนึ่งก็ยังดีครับแทนที่จะได้ยินโมทนาคาถากลับได้ยินเสียงอาจารย์ตอบย้อนมาเป็นประโยคสุดท้ายว่าทำไมต้องให้ฉันขอบใจด้วยผู้ใดเป็นผู้ให้ทานก็ต้องยะถาสัพพีสินิทานก็จบ จากเรื่องราวที่เล่าวันนี้จะฟังให้เป็นเรื่องขันก็ได้แต่ควรจะติดตามให้เห็นเป็นเรื่องขำคือคมคายในทางวุฒิปัญญาด้วยเราท่านทั้งหลายมักจะรู้สึกในเรื่องอะไรสามันสามันตรงกันไปหมดแต่ผู้มีเซนแล้วย่อมเห็นก้าวล่วงไปหลายก้าวอย่างในพระไตรปิฎก ฝ่ายเทรวาดเราก็มีกล่าวถึงพระรัฐปาละลูกเศรษฐีออกบวชก็ด้วยการเห็นอย่างเดียวกันมีตอนหนึ่งท่านเล่าไว้เองว่าอัสโกโลโก โ, โลกคือหมู่สัตว์ที่จริงไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนเป็นผู้จนมีแต่ตัวแบมือมาสัพพะปหายะ มณีอยังจำต้องละสมบัติทั้งสิ้นไปคือแบมือไปคือว่าคนเหล่านี้ก่อนที่จะมาก็ไม่มีอะไรตอนมาก็ไม่มีอะไรติดมามาแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากไปสำคัญว่ามีครั้นจะคล้อยคลาดล่วงลับไป ก็ไม่มีอะไรเพราะถ้ามีจริงก็ควรเอาไปด้วยได้สิฉะนั้นพ่อค้าในนิทานเรื่องนี้เขามีดวงตาสว่างพอสมควรที่จะใช้สิ่งที่ตนมีอยู่ในครอบครองโดยสมมุตินี้แหละให้ค่าของเงินตราไปเคลื่อนไหวก็ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมนุษย์โดยเฉพาะในบรวรพุทธศาสนา ทำให้ผู้คนอีกตั้งหลายพันหลายหมื่นพลอยได้รับผลสะท้อนจากกระแสเงินของแกที่สะพัดไปแทนที่เงินจะถูกเก็บตายหรือใช้หมุนไปทางอื่นก็มาจัดทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในตัวมันเองเกิดผลดีทั้งแก่คนและสัตว์ทั้งแก่พระาศาสนาและโลกทั้งปวงด้วย ผลสะท้อนกลับไปกลับมาก็ไม่ไปไหนเสียย่อมกลับมาสู่แกเองด้วยและอย่างวิเศษที่เป็นเหนือเมฆที่สุดก็คือพ่อค้าคนนั้นเองประสบโอกาสได้สละซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวอย่างแท้จริงก่อนที่ความตายจะมาเข้นคอให้แกจำต้องปล่อยนับว่าเป็นความฉลาด ที่ไม่ใช่คนพื้นพื้นจะนึกเห็นได้ด้วยพ่อค้าคนนี้มีแววท่านหลวงพ่อธรรมจารย์เซอิเซสุ u, จึงเริ่มทรมานและใช้คำพูดเอาจนเจ้าตัวได้รู้ธรรมว่าใครกันแน่ฝ่ายไหนแน่ที่ต้องขอบใจเพราะที่ทางวัดเกิดมีความจำเป็นต้องขยับขยายศาลานั้น ทำให้เกิดช่องทางหรือโอกาสอันงามที่จะมากระตุ้นให้พ่อค้าคนนี้รู้สึกขึ้นถึงการมีเงินของตัวตลอดจนเห็นความจริงเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของเงินรายนี้มิใช่หรือนับว่าเป็นโอกาสให้คลายความเห็นผิดว่าของกูของกูให้เบาบางลง พ่อขาเองนั่นแหละควรขอบใจหรือปติยินดีในเมื่อศพโอกาสที่ดีเฉพาะครั้งนี้ดูเอาเถิดท่านทั้งหลายว่าไปว่ามาก็คล้ายๆจะให้ผู้ฝังนิทานนี้คิดสั้นว่าที่เป็นจริงชั้นปรมัติ์นั้นเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ฉนั้นพ่อค้าคนที่เหล่านี้ให้ทานสละสิ่งที่ตนมิได้เป็นเจ้าของอันแท้จริงทานนั้นก็เท่ากับไม่เป็นทานกระนั้นหรือท่านอาจารย์เซนจึงไม่ยอมอนุโมทนาข้อนี้ต้องคิดให้ถูกและต้องเห็นแจ่มแจ้งจริงๆไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคำสอนที่สอนให้เป็นมิจฉาทิฐิ ตกลึกดึกดำบรรไปเสียอีกอันคนประเภทพ่อคานี้เราท่านยอมรับกันแล้วว่าเขาเป็นพวกที่สำนึกในค่าของเงินเป็นอันดีไม่เหมือนพวกรวยด้วยการพนันหรือได้เงินจากนานที่ไม่ชอบไม่ต้องออกแรงเมื่อมีความยึดถือด้วยอุปทานเต็มอัตราปกติอยู่ แล้วจำเพาะพ่อค้ารายนี้เกิดมาได้รู้สึกและยินดีสละออกให้เป็นทานได้เช่นนี้จึงเป็นเรื่องพิเศษในฐานะผู้มีอุปทานด้วยกันไม่มีวิธีใดหรอกที่จะดีไปกว่าเขาต้องใช้อุบายอันเป็นฝักฝ่ายข้างกุศลซึ่งก็เป็นอุปทานเหมือนกันนี้ให้ไทถอนความยึดถืออุปทานในทรัพสมบัติ กล่าวคือใช้ศาลาโรงธรรมเป็นวัตถุปรารพเพื่อเป็นว่าใช้อุปทานที่ละเอียดกว่าลุทายชะล้างอุปทานที่หยาบชั้นสามันขอให้นึกดูเถิดแม้เราจะประจักษ์จิตมาว่าทานการให้เป็นเครื่องขูดเกล่าถ่ายถอนอุปทานขั้นหยาบนี้ รู้แล้วก็ใช่ว่าเราจะลัดไปใช้วิธีอย่างอื่นโดยข้ามไปสอนกันว่าไม่ต้องให้ทานหาได้ใหม่แม้รู้ความจริงชั้นปรมัติอย่างนี้แล้วเราก็ยังจำต้องดำเนินตามวิธีถ่ายถอนอุปทานด้วยอุปทานอันนี้อยู่เองขอแต่ให้เป็นอุปทานที่ละเอียดประณีต ก, กว่า ถูกมากกว่าก็พอแล้วฉะนั้นคำสอนฝ่ายเซนซึ่งสอนด้วยสายตาผู้เห็นปรมัติสัจจะอย่างนี้จึงไม่เป็นการสอนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิดังถูกกล่าวหาโดยแน่นอนอุปทานความยึดถือในจิตของคนเหล่าใดจะคลายยกเลิกไปได้ ก็ต้องอาศัยที่ว่าคนคนนั้นมีวิธีใช้อุปทานที่ละเอียดชั้นสูงกว่าเข้าแทนที่มันยากอยู่ที่ว่าเขาจะมีทางหาอุบายอย่างไรให้เป็นเชิงว่าใช้อุปทานไทถอนอุปทานที่ยากกว่าได้สำเร็จเฉพาะพ่อค้าในนิทานรายนี้เขามองเห็น และจับฉวยเอาศาลาธรรมเป็นวัตถุปรารพซึ่งคนเป็นอันมากได้ประโยชน์มันจึงเพียงพอที่จะบันดาลปิติให้เกิดแก่เขาทำให้เขาลืมความยึดมั่นเสียดายเงินด้วยเหตุนี้เขาควรจะขอบใจวัดหรือศาลาโรงธรรมหรือเปล่าถ้าศาลาไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ก็มิอาจทำให้เขาปิติเพราะมันไม่ได้เป็นอุปทานละเอียดพอที่จะมาถ่ายถอนอุปทานเดิมได้ถ้าอย่างนั้นเขาควรขอบใจคนทั้งหลายหรือที่ทำให้เขาหักกลบลบอุปทานมิได้คนจำนวนมากแม้หากจะมาชุมนุมใช้ศาลา แต่ถ้าไม่ใช้ไปเพื่อธรรมะแล้วก็ไม่ทำให้คุ้มค่าพอที่เขาจะปลื้มใจที่เขาได้จับจ่ายเงินไปที่ประชุมคนมากๆจะกลายเป็นธรรมสภาได้ก็ต้องมีท่านอาจารย์เซอีเซสสุตังหากจึงจะสามารถทำคนใจมืดให้กลับสว่างและพ่อค้าเจ้าของเงินจึงจะปิติสูงเต็มที่ เมื่อเขาได้รรมปิติธรรมปราโมทเต็มเปี่ยมในการบริจาคทานเพราะมีวัตถุปรารพได้เลื่อนสูงสูงขึ้นมาจนมาถึงขั้นปลารพตัวท่านอาจารย์เองแล้วใครเล่าควรยะถาสัพพีให้ใคร